วันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นสิบสี่หรือสิบห้าค่ำเดือนสิบดับวันนี้เดือนสิบดับเป็นวันอุโบสถของพระด้วยหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงเจ้าต้องกลับมาลงอุโบสถเป็นเรื่องที่ทำให้หลวงพ่ออายุมากถึงขนาดนี้แล้วหลวงพ่อไปที่ไหนต้องคิดซะก่อน พอวันงานกระถินวันที่สามสิบเอ็ดตุลาที่ผ่านมาพอกระถินเสร็จในวันนั้นดูสิว่าแผ่นดินมันมันไม่มันไม่มันมม่นคงเ น, นแผ่นดินมัน ว, วบยาบหบยาบรู้แก่ใจแล้ววันนี้อายุมากแล้วเพราะนั้นที่จะไปที่ไหนๆต้องดูไม่ใช่ว่าคิดอยากจะไปเขาไป พอไปกลับมาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพราะนั้นหลวงพ่อดูแล้วอืมก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่งานกระถินก็ให้พวกพระท่านทํำทำไปซะแต่ตามไม่จริงพวกท่านแต่ละวัดก็คงอยากจะให้หลวงพ่อไปนั่นแหะท่านหลวงพ่อไปก็อย่างว่าหลวงพ่อพูดนั้นพูดนี้เป็นเครื่องดึงดูดบางอย่างเพราะนั้นลุก สิทธิลูกหาน้องนุ่งทั้งหลายก็อยากจะให้หลวงพ่อไปแต่หลวงพ่อก็ัมาพิจารณาอีกเหมือนกันและก็เย็นวันนี้ก็คงจะมีการเตรียมกระถินพร้อมวัดป่าน้องกองวัดหลวงปู่เพียนที่จะทอดกระถินเพื่อสร้างเกดีวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดมหาวิทยาลัยขนแก่นศีนคริน ป้องกับคณะแพทย์จะมาทอดกระถินเพื่อหาทุนสมทบสร้างเจดีหลวงปู่เพียนวันที่เจ็ดหลวงพ่อก็มาพิจารณาอีกเหมือนกันฮะวันที่เจ็ดญาติโยมมาจากสมุทรสาครเขามาบอกหลวงหน้าไว้ก่อนว่าจะมีมีคณะมาประมาณห้ารถบัสเหาือนนจะมาถึงที่นี่ประมาณเก้าถึงสิบโมง เป็นช่วงที่ทอดกะถินยังไม่เสร็จทางนู้นน่ะที่ในหลวงพ่ อ, อพิจารณาถึงเอายังไงทีนี้ถ้าทางนู้นก็จำเป็นพอหลวงพ่อเป็นผู้กำหนดวันทอดกะถินให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อหาทุนสมทบสร้างเจดีย์หลวงปู่เพียรแต่ทางนี้ก็คนมาจากทางไกลตั้งสี่ห้ารถบัสไม่ต่ำกว่าสองร้อย สองร้อยกคนเกือบสามรอยคนอาจจะถึงสองร้อยไม่ขาดละ่ะรถบัสสี่ห้า 4, คันถ้าไม่เห็นหลวงพ่ออยู่วัดใช่ไนม <c oughs> ก็เหมือนกับเราเร า, เราท่านท่านถ้าไปนัดครูบาอาจารย์ไว้แล้วแต่ท่านไม่อยู่ท่านมีกิจธุระจำเป็นไปทางอื่นแต่คณะจริงๆก็ไม่ได้มาเผื่อวัดเราแห่งเดียวกับเป็นทางแยกหรือว่าทางแวะ กัหัวหน้าทีมก็เคยจำบรรษาเป็นพระที่จำบรรษาอยู่ที่นี่เขานด้มทนมาตั้งแต่ออกไป้วยังไม่เคยมาพบหลวงพ่อกันเขานี่ก็อยากจะมาพบกับคณะรัทยาญาติโยมแต่หลวงพ่อไม่อยู่มันก็ยังไงยังไงอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะะเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะแบ่งภาคไปยังไงอีกเหมือนกันทางน้นก็จาเป็นทางนี้ก็จำเป็น เดี๋ยวนะ่ะนาทีสุดท้ายนะ่ะจะตัดสินใจเองเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือเราอยู่กับโลกสมมุติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามโลกสมมุติแต่อย่าไปเอียงไม่ใช่ว่าเราไปทางนู้นได้อันนู้นเ้าไปอย่างนี้ได้อย่างนี้มันได้อะไรท้าว่าได้โดยทมสาธารณประโยชน์ได้โดยทม ได้จิตได้ใจของพี่น้องประชาชนได้ปลูกศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์นั่นล่ละดีที่สุดในเรื่องปจัจจัยสีเรื่องเงินคำทรัพย์สมบัติก็ไปมุ่งหวังถึงยังไงยังไงชีวิตของพระเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอาหารเพียงแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วพออยู่พอชั้นแล้วไม่เห็นจะเดือดร้อนอนะ ผ้าจีวรลผืนหนึ่งใช้ถึงสี่ห้าปีก็ยังไม่ขาดอาหารการบริโภคก็จะฉันอะไรมากมายเพียงจานเดียวก็พอแล้วสองสามถ้วยก็พอแล้วข้าวเหนียวขนาดกําปั้นก็พอแล้วนี่แหละถ้าเรารู้จักประมาณในการเป็นอยู่รู้จักเพียงพอในการเป็นอยู่พอเพียงในการเป็นอยู่มัน สบายทั้งนั้นน่ะถ้าว่ามีความโลภอยู่ในใจมีแต่อยากอยากอยากอยากอยู่ในใจอันนั้นจะหาความสุขไม่ได้เพราะมันอยากคนโบราณเขาบอกว่ากานะกาที่มันหากินเนี่ยเพราะมันมีความอยากอยู่ตลอดมีความโลภเย็นตลอดเหตุอะไรกร ะ, กระโดดใส่อกาคำว่ากาเนี่ยไม่มีเปลวมันคือไม่มีน้ํามันเลย เพราะเหตุไรเพราะมันมันมีความอยากมันคิดแวงอยู่ตลอดเวลาคือหาความสุขไม่ได้ในการเป็นอู่ของมันนะอันนี้คนโบราณเขาเปรียบเทียบนะนี่เราก็เหมือนกันนะถ้าคนโลภมากก็ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นการเป็นอยู่ทุกอย่างไม่ให้มีความโลภ เ, เฉยเลยเฉยเมยเฉยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น คือให้รู้จักหาหาโดยสติหาโดยปัญญาสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์เราก็หาไม่ได้งอมืองอเท้าไม่ใช่อยู่ตามอยู่แบบเฉยเอยชาชาแฉะแะก็ไม่ถูกโลภจนเกินไปจนเกินฐานะของตนเองเห็นของใครก็อยากโลภของเขาไปหมดจนไม่รู้จัก ฐานะของตัวเองควรจะได้อย่างไรอันนั้นก็ไม่ถูกสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญาในการสะแสวงหาทรัพย์อุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาหน้าที่การงานทรัพสมบัติที่สะแสวงหามาด้วยความยากลำบากให้รักษาไว้รักขะ คือว่ารักษาบางทีได้ตําแหน่งหน้าที่มาแล้วก็ไปเที่ยวประเตรสมทะเลเทเมาไม่รักษาหน้าที่การงานอันนั้นก่อนหน้าที่การงานก็ขาดถูกไล่ออกจากงานได้ง่ายๆยึดอวิชาอาชีพได้ง่ายๆนั่นแหละอันนี้ก็คือราคาสัมปทานกาลยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามการครบหมู่คบเพื่อนต้องดู เออดูดูนานๆไม่ใช่ไปเห็นเขาล่ลํารวยล้วก็เข้าไปหาเขาแต่การล่ลํารวยของเขานั้นเขาได้เงินมาอย่างไรเราเข้าไปเป็นเพื่อนเขาเลยเพ้อเผลอผลที่สุดนั่งรถไปกับเขาะเขาก็เลยจับไปเป็นหมู่พวกค้ายาบ้านด้วยกันฮะอย่างนี้เป็นต้นต้องการครบค้าสมาคมเราก็ต้องเลือกอีกว่ากัญญาณมิตรเขาเป็นคนดี ขนาดไหนต้องดูดูไปการที่จะรู้จักคนดีหรือไม่ดีจะรู้จักคนเลวหรือไม่เลวต้องอยู่ด้วยกันนานนี่แหละของพรุทธศาสนาอันนี้ฝักการยาณมิตรสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่คดไม่โกงไม่ปนไม่จี่ไม่เบียดไม่บังไม่ลักไม่ขโมย ของคนอื่นมาเลี้ยงชีวิตของเราหาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยความหมั่นขยันของเราอันนี้ว่าสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาการดําลงชีพพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้สําหรับพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านสอนทั้ง แนวความคิดเข้าไปอีกเถคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฐิคือความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ทางโลกเขานะเขาคิดว่าสมองเป็นสมองสมองเป็นแนวความคิดและการเป็นอยู่เขาให้ความสําคัญรู ป, ปธรรมนะมากกว่าแต่ในทางหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญนามธรรม หรือใจหรือแนวความคิดเนี่ยมากกว่าการเป็นอยู่แต่การเป็นอยู่นั้นถ้าหากว่าเรามีสติมีปัญญามีความเพียงพอมีความรอบคอบถึงจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้เพราะอยู่ด้วยปัญญาไม่เห็ น, นขาดตกบกพร่องอย่างพระเจ้าแผ่นดินในครั้งพุทธกาล ในหลักของพุทธศาสนานี่ท่านเรียนประวัติศาสตร์ตลอดนะยึดประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คืออะไรคือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาท่านต้องพูดอะไรขึ้นมาต้องเล่งไปถึงประวัติศาสตร์แต่เมืองชาติไทยทุกวันนีเออ้เด็กนักเรียนทุกวันนี้ไม่เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้จักความเป็นมาของตนเองเป็นมาอย่างไรแต่หลักของพุทธศาสน า, สนานีนท่าน เน้นไปทางประวัติศาสตร์เนี่ยพระมหากรบินท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จออกมาบวชทั้งครอบครัวของท่านอัคคมเหสีของท่านและตัวของท่านด้วยพท่านมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันพอออกมาบวชแล้วท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะในใจของพระองค์ท่าน ท่านไปอยู่ในสถานที่ใดท่างก็สุกหนอสุกหนอสุกหนอหรืท่านที่ไปอยู่ในโคลนต้นไม้ก็สุกหนอ่อไปอยู่ในป่ารองพงไป ย, ย่างไงก็สุกหนอ่อพระสงฆ์ผู้มีกิเลสก็สงสัยเอ๊ะทำไมพระมหากบินเถระเนี่ยสมัยท่านตะก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านคงจะลําลึกถึงอดีตของท่านทําไมเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มัง้งคิดขึ้นมาได้แล้วเออสุกหน่อสมัยนั้นฮะ เทียวว่าสุกหนอสุกหนอแต่มาขณะนี้ไม่เห็นจะมีความสุขที่ตรงไหนมานั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้มานั่งอยู่ที่มาเล็กๆมานั่งอยู่ในที่สงบตามลําพังแล้วก็บ่นขึ้นว่าสุกหนอสุกหนอฮพระสงฆ์เหล่านั้นก็สงสัยเพราะได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกพระมหากระบินเถระอดีตพระเจ้าแผ่นดินเข้ามากระบิน เธอบ่นในที่ทต่างๆจนดนถึงกับพระได้มาพูดมาทูลเรามาบอกเราว่าท่านว่าสุกหนอ่อสุกนอ้อยมันท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านระลึกลําลึกถึงสมัยเมื่อเป็นคราวาต์มีบริษัทบริวาลวิคัคขมัยเฮษีสรบนารีอย่างนั้นใช่ไหมที่ท่านระลึกขึ้นมาแล้วก็ท่านบอกบอกว่าสุกหนอ่อสุกนอ้อย หรือท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรในเมื่อพระสงฆ์มาบอกมาทูลมาบอกเราเราก็เรียกท่านมาถามน่พระมหากบินท่านกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยก่อนข้าพระเจ้าหนึ่งข้าพระองค์นี่ทุกมากไม่รู้จะจัดการบริหารบ้านเมืองอย่างไรจะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรเตรียม ท, ห, ยมทหารการค้าทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้ราชสมบัติให้แก่ผู้อื่นไปแล้วข้าพระองค์ได้ออกมาบวชปล่อยวางกระทั่งจิตใจปล่อยวางกระทั่งร่างกายข้าพเจ้าอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสุขไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมีแต่ทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวต่ตางๆแต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้เสียสละหมดแล้ว อยู่น่าสถานที่ใดข้าพระองค์มีความสุขเพราะนั้นอยู่ในร่มไม้ไปนั่งอยู่น่าสถานที่ใดข้าพระองค์เออสุขหนอไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายทางด้านจิตใจเพราะน่้นข้าพระองค์จึงบ่นขึ้นมาวันนี้สุขหนอสุขหนออันนี้ก็คือพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในป่าดงพงไพยไหนก็ตามถ้าท่านได้ปล่อยได้วางทางด้านจิตใจของท่านแล้วท่านมีแต่ความสุข อไม่เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ยึดติดสิ่งนั้นสิ่งนีเงนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่กุ้มรุมทางจิตใจหาความสุขไม่ได้ถึงจะอยู่ในกองเงินกองทองอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเอเดี๋ยวก็กลัวกนัวนั้นผิดอกกลัวคนนั้นผิดใจเดี๋ยวคนนั้นเอทําไม่ถูกเดี๋ยวคนนั้นมีแต่วาดกแวงกันอยู่ตลอดเวลา หาความสุขในจิตใจไม่ได้แต่พระเถระท่านนี้ท่านปล่อยวางเรื่องภายนอกแล้วก็ปล่อยวางทางด้านจิตใจของท่านใจของท่านก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีแต่เอาธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ท่านบอกไปนสถานที่ใดมีแต่ความสุข เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยตั้งให้ปล่อยวางที่ใจใจเนี่ยเป็นเรื่องตัวการสำคัญอย่างมากสมองนะ่ะแต่ตามไม่จริงโลกทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้วิเคราะห์ได้แต่ถึงแต่สมองเนี่ยสมองเป็นตัวคิดสมองเป็นตัวทำงานแต่ตามไม่จริงสมอง หลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในศีรษะของเราแต่คนมาใช้สมองอีกคนหนึ่งแต่ตัวนั้นวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นตัวนั้นค้นยังไม่ถึงว่างั้นได้ค้นยังไม่ถึงตัวที่มาใช้สมองแต่หลักของพุทธศาสนาที่ท่านไปคน้นขุดค้นไปคิดค้นอยู่ที่นั่งอยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนน์ไง ที่ท่านว่าภาวนามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นเนื่งให้เนื่งซะก่อนทําใจให้เนื่งซะก่อนทําใจไม่ให้ปุงไม่ให้ฟุ้งไม่ให้สานให้ใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนใ น, นเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วความนึกคิดนั้นเป็นหนึ่งแล้วจึงนํามาคิดนํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผล อันนี้ว่าภาวนามยะปัญญาไอ้ตัวนิ่งนั่นคืออะไรสมองมาอยู่ในหัวของเรามืนกับนิ่งอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะตัวนิ่งตัวนั้นอ่ะคือตัวไม่คิดเถึงเราจะพูดหรือไม่พูดออกปากก็าตามแต่ความคิดของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งไม่ต้องพูดนะนั่งนิ่งอยู่เฉยๆงูมันคิดไปเรื่องที่ไหนต่อที่ไหน อันนั่นแหะตัวนั่นแหะตัวสำคัญในตัวที่มันนึกคิดไปนใน ส, สถานที่ต่างๆนะเพราะพระเจ้าท่านนั่นเอาตัวนั่นแหละให้มันนิ่งให้มันเป็นหนึ่งในเมื่อมันเป็นหนึ่งแล้วก็นําตัวนิ่งน่ะมากันกรองไตรตรองว่าร่างกายของเราเนี่เป็นยังไงอออกจากศรีรษะศรีรษะคือสมองออกร่างกายของเราคืออะไรต่างกายคือของเราก็คือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟนะ มีอายตนะมีตับมีปอดมีลำไส้มีอะไรอยู่ในร่างกายมีกระดูกอยู่ร่างกายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยร่างกายของเราเน่ยไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบนะ ใ, ใจไหมใจอันนี้คือทําความเข้าใจในใจทําความรู้สึกในตัวผู้รู้รู้รู้ตัวรู้รู้ทความเข้าใจกับตัวผู้รู้ทําความเข้าใจกับ ต, เ น, ตนเอง ผู้รู้ทำความเข้าใจกับตนเองว่าร่างกายเนะี่ยไม่ใช่ตัวตัวเรานะใจนะถึงเราจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอดนะร่างกายนะแก่เจ็บตายนะในที่สุดนะผลในที่สุดเขาเอาไปเผาไฟทิ้งนะเมื่อตัวเองตายแล้วตัวเองเอาเผาตัวเองไม่ได้หรอกแต่ร่างกายใจของเราจะออกจากร่างนะแต่ร่างกายในะคนอื่นเขาเอาไปเผาะนะในเมื่อขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเรานะใจนะแต่คนอื่นสิ่งอื่น วัตถุอื่นๆจะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจคือทำความเข้าใจในใจจากนั้นใจของเราเข้าใจในใจวงั้นใจเข้าใจใจมั่งก็ออูใช่ไม่น่าจะยึดมัน่นถือมั่นจนเกิดไปสิ่งไหนควรจะปล่อยควรไหนควรจะวางควรไหนจะทำความเข้าใจไม่ควรจะยึดมัน่นถือมัน่นถึงจะยึดยังไงมันก็ร่างกายจะต้องแตกตายสลายในที่สุด นั่นแหละจากนั้นก็ทำความเข้าใจในใจจากนั้นก็ปล่อยวางปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจมันก็เกิดความรู้นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นในใจจากนั้นใจก็หลุดพ้นไงนะ ใ, ใ, ใจนถีบตัวออกจากอาวิชชาคือตัวไม่รู้นะเหมือนกับเราตะก่อนเราไม่รู้กอไก่ขอไข่ A B C D วันทูทฟฟอย่างนั้นอนะ่ะเราไม่รู้แต่เราเรียนรู้แล้วนะ เราเรียนรู้แล้วความฉลาดมันก็เกิดขึ้นความโง่ที่มันไม่รู้มันก็ตกไปมันอยู่ในจุดเดียวกันก็ว่าใจรู้กับใจไม่รู้ใจปล่อยวางกับใจไม่ปล่อยวางมันอยู่ในจุดเดียวกันนี่แหละทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องละเอียดอ่อนต้องภาวนามายปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าว่าไม่ภาวนานะจิตใจมันปุงฟุ้งอยู่ขนาดน จะับชายไปเรื่อยนะไม่รู้ว่เรื่องอะไรตัวไม่อะไรเพราะนั้นขอให้พวกเราจรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนดร์ทุกองนะให้พิจารณาดูจุดนี้ถ้าเอาชนะจุดนี้แล้วเอาใจชนะอะทําได้แล้วอยู่ที่ไหนเป็นสุขทั้งหมดไม่เดือดไม่ร้อนไม่บุญไม่วายนั่งหยุดสถานที่ใดก็เป็นสุขอย่างพระมหากระบินไม่ใช่อยู่นั่งอยู่กองเงินกองทองเจ้ก่อนจึงจะสุขไม่ใช่นะอันนั้นกองทุกข์ อันนี้คือความสุขของพระอริยะทั้งหลายต้องอยู่ในที่สงบอยู่ในที่ปล่อยวางสงบก็เถิดถ้าสงบยังปุ่งฟุ้งซ่านก็หาความสุขไม่ได้ถ้าอยู่ในที่สงบแล้วรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักวิธีการแก้ไขกับใจนั่นแหละความสุขจะเกิดขึ้นในจุดนั้นนะรับพรอนโมทนาให้พร